พระองค์นั้นก็แทงตลอดมัคคายานสี่ผลญาณสี่ก็คือญาณในโสดาปฏิมัคสกธาคามีมัคอนาคามีมัคอรหัตมัค แ, แทงตลอดญาณในโสดาปฏิผลสกธาคามีผลอนาคามีผลแล้วก็ได้ปฏิสัมพิทาสี่ะนะปฏิสัมพิทาสี่ญาณที่รู้อัตรู้ธรรมนิรุตและปฏิพานและพระองค์ก็มีญาณที่กําหนดกําเนิด4นะว่า เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในไข่เกิดในเท่าใครและเกิดเป็นโอปปาติกะคานกําหนดรู้กําเนิดสี่แปลว่าพระองค์รู้เหตุด้วยว่าเหตุที่ทํใออ า, ใ, า, าทให้เกิดในกําเนิดสี่คืออะไรกรรมเหล่าใดกายกรรมเช่นใดทําให้เกิดในคันกายกรรมเช่นใดทําให้เกิดในไข่กายกรรมเช่นใดทําให้เกิดในเท่าใครหรือเบียดแจกกายกรรมเหล่าใดที่ทําให้เป็นโอปปาติกะพระองค์แยกเห็นหมดเลย น, น, นะนความปรารถนาเหล่าใดเจตนาเหล่าใดอวิชชาเช่นใดตัณหาเหล่าใดนำไปสู่การเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายและเกิดเป็นโอปปาติกาและยานอย่างรู้คติทั้ง5ที่ไปคือนรกที่ไปคือเดระนิชานที่ไปคือเปรตที่ไปคือมนุษย์ที่ไปคือเทวดาเมื่อพระองค์บอกแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพฤติกรรมอย่างไรนำไปสู่การเกิดในนรก พฤติกรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเช่นใดนำไปสู่การเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาเทระองคก็ได้อาศายธารณญาณทั้ง6ประการอีสอาธารณญาณ6ประการก็คือ อันนะอาสยานุสยายานพระองค์ยังมีญาณที่ยังรู้อัธยาศัอยอาสยอนุสยาเนี่ยนะอัธยาศัยของสรรพสัตว์เป็นเช่นไรอนุใสกิเลส ท, ที่มันแรงอันนะแต่ละคนเนี่ยมีกิเลสรุนแรงแบบไหนแค่ไหนอย่างไรรู้หมดเลยแล้วยังรู้อินตรยะโปรปริยติญาณญาณที่ว่าแต่ละคนนี่มีอินทรีย์หย่อนอินทรีย์หย่อนเนี่ยแปลว่าแปลว่ามันน้อยอันนะมีอินทรีย์น้อยหรือมีอินทรีย์มาก อัน น, นมีศรัทธาหรือขาดศรัทธามีวิริยะหรือขาดวิริยะมีสติหรือขาดสติมีสมาธิหรือว่าขาดสมาธิมีปัญญาหรือว่าไร้ปัญญา mm hmm. พระองค์ก็แยกแยะไค่ครวญอย่างรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสรรพสัตว์ทุกชนิดแล้วพระองค์เนี่ยมีมหากรุณาสมาบัตต์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์แย ก, กว่า แต่ละคนนั้นมีความทุกขอย่างไรทุกตั้งแต่อย่างลงสู่คัจนจนจวบวันตายเนี่ยนะจวบสิ้นลมปราใน1ชาติแบ่งเป็นความทุกข์จัดหมวดหมู่ของความทุกข์ได้สรารพัดเลยว่าทุกหน่ะทุกหนึ่งทุกหมวดหทุกหมวด2หมวด3มหมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด1ิ1สิบหมวด14หมวด16หมวด18หรือว่าหมวดร้ออะไรเปนต้นถ้าเราจัดแบ่งวักแบ่งตอนเรียว่าพราะองค์รู้จักความทุกข์ของเรายิ่งกว่าคนมีทุกข์อีกเหมือนัน เรียก ว, ว่ารอบรู้ทุกชนิดเรียกว่าแล้วก็เจริญก ร, รุณาว่าเมื่อเขาทุกอย่างนี้แล้วถ้าเราไม่ช่วยให้เขาพ้นทุกข์แล้วใครจะช่วยเขาเป็นตน้นอันนั้นก็เป็นก ร, รุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วการที่จะช่วยเขาบางอย่างก็ต้องแสดงย่ำมะกะแสดงย่ำ ม, มะกะปาฏิหารที่เราเรียกว่าแสดงปาฏิหารอันนั้นแสดงปาฏิหารคือแสดงย่ำ ม, มะกะปาฏิหารนะแล้วก็แสดงย่ำ ม, มะกะปาฏิหารไม่ใช่ทําด้วยความโง่เราทําด้วยการไข้ครวญทั้งหมด พิจารณาทุวนทีละเอียดทั้งหมดด้วยสัพพัญยุตยานแล้วนะนะพระสัพพัญยุตยานของพระองค์เนี่ยยิ่งกว่าที่ปรึกษาเป็นล้านคนเนี่ยนะยิ่งกว่ามีคู่ปรึกษาชั้นเลิศเพราะว่าอะไรที่จะเสมอด้วยสัพพัญยุตยานไม่มีแล้วสัพพัญยุตยานของพระองค์ก็ไม่ได้ติดตดดับดับะนะไม่มีอารณาวารณญาณรองรับรู้ประสงค์จะรู้สิ่งใดก็รู้สิ่งนั้นโดยไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนเหมือนนักแม่นธนูยิงปลายขนสายฉะนั้น ถ้าว่ามันแม่นยำขนาดนั้นก็เจาะละเอียดได้ลึกซึ้งขนาดนั้นอันนั้นก็เป็นอาสาธารณยานของพระองค์แล้วก็ยังมีพระคุณยางอื่นอีกเช่นเวสารชยาน4 น, นะพุทธยาน4เป็นต้นเอ่อพุทธญาน1ิพระพุทธคุณอย่างอื่นอีกมาก น, นะที่ตามแนวที่ภาษาริบุทเจริญเนี่ยนะเจริญเช่น ในสัมปัสาธนิยสูตรทั้งอัตถกถ า, ธาและก็ในพระสูตรแล้วก็ที่อื่นๆ อ, อีกที่กล่าวถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพราะนั้นพระองค์เนี่ยประทับนั่งที่โคนต้นโพเรียกว่าตรัสรู้เรียกว่าโพที่โดยสัพน์แปล ว, ว่าปัญญานั่นเองพระองค์ได้ปัญญาณะที่นั้นในความฉลาดนะที่นั้นบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแทงตลอดธรรมชาติ น, นะมันก็ไม่ผิดอนชาติมันก็ขึ้นต้นด้วยชาติมันก็ต่อด้วยชราและมรณะนี่ยนะ พระองค์รู้ชาติชรามรณะและเหตุเกิดแห่งชรามรณะความดับชรามรณนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณนะพระองค์รู้ชาติธรรมะที่เป็นชาติธรรมะที่มีความเกิดเป็นธรรมดาพราะองค์รู้ชาติเหตุเกิดของชาติความดับชาติข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชาติเนี่ยนะใครที่จะไปต้นโพเนี่ย ก็ไปเจริณาแล้วกันลุงเรืองจะไปบวชที่ต้นโพก็ต้องไปเจริญว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรตรัสรูว้ว่าอย่างไรมีคุณยังไงเดี๋ยวมาทำการบ้านทํารายงานดีไหมเมือนั้นใครอยากฟังบ้างให้ลุ ง, ง, รงเรืองกลับไปทำกลับมาทํารายงานให้ยังไสรุปว่าพระองค์ก็ประทรับนั่งนะโคนต้นต้นไหนต้นขานางอะนะต้นขานางที่เราเรียกว่าต้นโพเนี่ยเป็นที่ตรัสรู้พอตรัสรู้เสร็จพระองค์ก็เปล่งอุทานยังไเปล่งอุทานว่า อเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอนิภิสังขหากาลังคเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขหากาลกะทิถโศปุณะเคหังนกหาเสสัพภาเตพาสุกาภักกาขหากูตังวิสังขตังวิสังขารขตังจิตตังตันหานังขยมจัขา แปลว่าเราสแสวงหาตันหาตันหานี่แหละคือนายช่างผู้สร้างเรือนตันหานี่มันสร้างเรือนคืออะไรสร้างเนี่ยโครงสร้างแต่ละคนเนี่ยนะแต่ละคนที่มายืนเดินนั่งนอนเอียดอาสกันอยู่แถวเนี่ยนะถูกตันหานั่นเป็นนายช่างออกแบบให้หมดเลยตันหานี่ออกแบบว่าแบบเนี่ยต้องต้องเป็นอย่างนี้นะตาของคุณต้องเป็นอย่างนี้หูเป็นอย่างนี้จมูกเป็นอย่างนี้ลิ้นเป็นอย่างนี้สตรีระ่างกายผมคนเล็บจิตใจควรจะเป็นอย่างนี้ตันหาคือนายช่างเนี่ยผู้สร้างเรือนคืออัตภาพ เรือนคืออัตภาพเรือนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตอนที่เราสแสวงหาตัณหาแสดงว่าสแสวงหาสมุทัยสัตว์สแสวงหาทุกขสัตว์เมื่อไม่รู้จักสมุทัยสัตว์ไม่รู้จักนิโรธทุกขสัตว์ไม่รู้จักสมุทัยสัตว์ด้วยปหานะปริญญาไม่รู้จักทุกขสัตว์ด้วยยาตะและตีรณนะปริญญาเมื่อไม่พบจึงต้องท่องเที่ยว แปลว่าจุติปฏิสนธิตลอดชาติตลอดชาติแปลว่าตลอดการเกิดการเกิดเป็นอันมากเนี่ยนะแล้วก็พกเอาขันทาาอายตนะเรียกว่าชาติสงสารเนี่ยนะชาติสงสารคือลำดับแห่งขันทาาอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปเนี่ยนะก็สรุปได้ว่าอจากการเกิดเหล่านั้นเนี่ยนะทุกข้าชาติปุนปุนังการเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์ เกิด <G ör d> แค่ครั้งเดียวยังทุกข์ขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นหมื่นล้านครั้งแสนล้านครั้งโกรธล้านครั้งมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะแต่ก็ทนได้นะทนจริงๆเลยนะเผาพันแห่งผู้จําทน <g ör d> จําทนหรืออดทนก็ไม่ทราบอนะใครเรียก <g ör d> อะไรนะถูกซ้อมซะจนสลบฟื้นขึ้นมาสู้หใหม่ไงถูกซ้อมอีกสลบอีกตู้ขึ้นอนะอย่างเงี้ยใครเรียกว่าพวกจำทนนะทนใะครเรียกว่าทนด้วยความไม่รู้ทนด้วยอ ว, วิชชาทนได้หมดอนะ กองก็บอกว่าเนี่ยการเกิดบ่อยๆเนี่ยมันทุกดูก่อนตันหานายช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เราเห็นท่านแล้วเห็นด้วยปรารานาปริญญาหรือว่าเห็นด้วยธรรมะจักษุเราเห็นท่านแล้วเพราะฉะนั้นท่านจักสร้างเรือนคืออัตภาพท่านจะสร้างขันธ์าตุอริยตนะมให้เราไม่ได้อีกต่อไปท่านจะสร้างภพ3ามกำเนิด4ี่คติ5วิญญาณทิฏฐิเสัตตาวาส9ให้ให้อีกไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นโครงเรือนคือกรรมของท่านนะนะ เราหักหมดแล้วโครงเรือนคือเจตนากำทั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยเราหักหมดแล้วยอดเรือนคื อ, อวิชาเราก็รื้อแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งอรหัตผลจิตของเราถึงทาเป็นที่สิ้นตันหาอั น, นตนวิสังคารคาตังจิตตังตันห้าหนังขยมมจคาเนี่ยนะจิตของเรา มีวิสังขารคือพระนิพพานเป็นอารมณ์บัดนี้จิตของเราถึงแล้วซึ่งความสิ้นตัณหาตันห้านังขยมมชคาบัดนี้จิตถึงอรหัตผลแล้ว ก็อธิบายเป็นเพิ่มอีกว่าคติแห่งไฟที่ลุกโผลงที่ภาชนะสำริดที่นายช่างตีด้วยผนเนรเหล็กกำจัดแล้วก็สงบเย็นลงโดยลำดับไม่มีใครรู้คติความไปของมันได้ฉันใดคติของพระขีนาศกผู้หลุดพ้นโดยชอบข้ามเครื่องผูกคือกามโมคะบารรลุสุขอันไม่หวั่นไหวก็ไม่มีใครรู้คติของท่านฉันนั้นที่ยกมาบอกว่าคติแห่งไฟที่ลุกโผลง ใครที่เคยไปดูช่างเหล็กตีเหล็กเนี่ยนะเขาจะเอาเหล็กเนี่ยไปเผาเผาให้มันเหมือนทองหมดเลยเป็นสีทองเหลืองอารามแต่จริงจริมันเหล็กนะนะห้ามจับเด็กขาดเลยต้องใช้คีมจับแล้วก็มาวางบนทั่งนะช่างเหล็กอีกคนหนึ่งก็ใช้ค้อนปอนเนี่ยหวดทิ่มลงไปเนี่ยโป๊กโป๊กป๊กโกถามว่าแสงไฟหรือว่าความเหลืองอารามสีทองเนี่ยนะที่เรียกวันร้อนระ อ, อุมันหายไปไหน มันหายไปไหนเรียกว่าคติแห่งไฟเหล่านั้นหายไปไหนไม่มีใครรู้ว่าไฟนั้นมันหายไปไหนที่ไปของไฟอะนะแต่มันก็แปรสภาพนั่นแหละเสร็จแล้วฉันใดคติคือที่ไปในบรรดาคติห้านรกเปรตเดาชานมนุษย์เทวดาของพระขีณาสพผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือไม่ถือมั่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงสุกงามยั่งยืนและเป็น อัตตาข้ามเครื่องผูกคือกามโมคะได้เสร็จสิ้นแล้วนะไม่มีเครื่องผูกเครื่องพันอะไรอีกแล้วบรรลุสุขอันไม่หวั่นไหวคืออมะตะนิพานสุขที่ไม่หวั่นไหวแล้วก็ผู้ที่บรรลุถึงความสุขคือนิพานอันนี้ก็จิตใจไม่หวั่นไหวไม่มีใครรู้จักคติที่ไปของท่านฉันนั้นไม่รู้ร้อกว่าท่านอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ซึ้งแก่นแท้จริงหรอก เสร็จแล้วหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยับยั้งสเสวยวิมุตติสุขในพระสมาบัติอยู่นะโคนต้นโพพฤกบริเวณนั้น7สัปดาห์ตอนแรกก็ประทับอยู่ณนะที่ตรัสรู้วันก่อนหลังจากนั้นก็ไปที่ที่ไหนก็ไปที่อนิมิสัจเจดีไปประทับยืนดูที่ที่พระองค์ตรัสรู้อีก 7, 7วันเน่นะวันแล้วก็เดินจงกรมระวางอนิมิสัจเจดีกับ ที่ตรัสรู้เนี่ยนะครับปฐมังโพที่ลังสัปดาห์แรกอยู่ที่โพที่บาลังทูตยังอานิมิสจเจตีก็คือที่สองก็ไปอยู่ที่สัปดาห์ที่3ก็จังกระมก็คือการเดินจงกรมระหว่างาที่ตรัสรู้กับอนิมิสจเจดีก็เดินกลับไปกลับมาไข้ครันอีก7วันเสร็จแล้วก็ไปพิจารณาพิธรรมรัตนครเจดี จากนั้นก็ไปประทับตามสมควรว่าณที่ใดที่สมควรแต่สรุปว่าอยู่ใกล้บริเวณนั้น7จสัปดาห์สัปดาห์ที่8เนี่ยนะคือผ่านไปแล้ว49วันเนี่ยนะวันที่49วันที่50ไปแล้วเนี่ยวันผ่านไปเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาถึงว่าน้อมไปเพื่อไม่แสดงธรรม เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เห็นความยากลําบากในการปฏิบัติเพื่อความตรัสรู้ใจก็น้อมไปเพื่อไม่สอนพรมก็มาอาราธนาพระองค์ก็ใคร่ครวญใคร่ครวรเบ็ดเสร็จว่าใคร่ครวนแบ่งแยกว่าเผ่าพันธุ์ผู้จะได้ตรัสรู้เท่าใดผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้เท่าใดเนี่ยนะก็ใส่ใจเฉพาะผู้แต่ตรัสจัตรัสรู้เขาแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มพวกบรรลุได้กับบรรลุไม่ได้ ไอ้พวกบรรลุไม่ได้ไม่เอามาเก็บมาคิดไง้ไม่ต้องเอามาคิดแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็แบ่งมาพวกที่บรรลุได้เนี่ยกี่พวกแล้วแล้วแต่แต่ละพวกนี้ก็มาแบ่งตามจริตแต่มีกี่จริตแต่ละจริตต้องบรรลุ ด, ด้วยธรรมเทศนากลุ่มใดนะแล้วบรรลุแบบแบบแบบเร็วแบบปานกลางหรือบรรลุแบบช้าก็ใข่ครวรจาแนกแบ็ดเสร็จเราจะต้องเผยจะต้องสอนเาโดยใช้เวลาประมาณ กี่ปีเนี่ยนะก็ไข้ค ร, ครวนระยะทั้งโดยเวลาโดยสถานที่ไข้ครวนครบเบ็ดเสร็จหมดก็รับอาราธนาว่าอ่ะนะเราเปิดประตูให้แก่ท่านแล้วผู้มีโสดจงปล่อยศรัทธามาเถิดผมก็รับปากเสร็จแล้วผมก็ไข้ครวนว่าจะแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใครก่อนหนะอะธรรมจักเนี่ยนะธรรมจักข้อปฏิบัติสายตรงสายกลางเนี่ยจะแสดงให้แก่ใครฟังก่อนเป็นกลุ่มแรก ก็เห็นภิกษุ10โกดเหล่านั้นที่บวชพร้อมกับพระองค์ว่ากุลบุตรเหล่านี้เนี่ยสะสมกุศลมูลนะกุศลมูลมูลแห่งกุศลคืออะโลภาอโทสะและอโมหะกุศลมูลคืออโทสะนั่นแหละคืออธิศีลสิกขากุศลมูลคืออโลภะนั่นแหละคืออธิจิตตสิกขากุศลมูลคืออโมหะนั่นแหละคือ อธิปัญญาศิกขามันพวกที่กุสังสมอบรมศิกขาสามมาจากศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆผู้ที่สะสมไว้ยอย่างนี้อย่างเหมือนเราเราเนี่ยนะมาสะสมอโลพะอโทสะโมหะสะสมศีลสมาธิปัญญาในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็เป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปให้พระองค์ก็ไข่ค ร, ครวัวนะเออฟังได้บรรลุได้เป็นต้นพระองค์ก็แสดงให้ฟัง นี่ก็รู้ว่าเขาเนี่ยสะสมกุศลมูลมาจึงบวชตามเราซึ่งกำลังบวชบําเพ็ญเพียรกับเราบํารุงเราอุปถักเราเอาเถิดเราพึงแสดงธรรมแสดงธรรมคือแสดงอรรยสัจธรรมแก่กุลบดเราพวกนี้ก่อนใครทั้งหมดนะเหมือนกับหยิบยื่นนะนะหยิบถ้าบอกว่าถ้าทางโลกเนี่ยโยิ่งใหญ่ที่สุดคือราชสมบัติใช่ไหแต่ถ้าถ้ายิ่งหยิบยื่นราชสมบัติหยิบยื่นสวรรคสมบัติ และหยิบยื่นนิพพานสมบัติให้แก่ใครตรงนี้เป็นเน้นพิเศษคือหยิบยื่นนิพพานสมบัติหยิบยื่นโสดาปติมัคสกธาคามีมัคอนาคามีมัคอะรหัตตมัคให้แก่ใครก่อ น, นอเนาะอย่างเงี้ยนะก็ไข้ครวรว่าเหมือนกับหยิบยื่น น, นะเหมือนเห็นคนป่วยยื่นยาให้ใครกินแนละ้วหายทันทีเลยนะควรจะยื่นให้ใครใครก่อนยื่นอริยสัพย์ให้แก่ใครก่อนยื่นธรรมะโอสถให้แก่ใครเสร็จแล้วก็ใครครวรดูเห็นภิกษุเหล่านั้น องค์ก็คข้ครวญแต่ว่าบัดนี้ท่านเหล่านั้นอยู่ที่ไหนก็เห็นว่าอยู่ที่ว่าเทววันเรียกว่าป่าเทวดาว่างั้นป่าที่เทวดาดูแ ล, แลเทวแปลว่าเทวดาวนแะแปลว่าป่าป่าที่เทวดาดูแลนะกรงอนุราธะ อ, อรุณะวดีเนี่ยนะระยะทาง18บแปดโยชนี้สิบดโยต์กี่กิโลก็ประมาณพุทธคยาพารณาสีนะิ18คูณสิบสิบหกอ่ะนะประมาณนั้นแหละ เสร็จแล้วปกติแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะโดยมากก็เหาะไปแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้อันตรทานหายตัวไปจากบริเวณโคนโพพรึกไปปรากฏที่เทววันเหมือนบุรุษมีกําลังที่เหยียดแขนเหยียดแขนที่คู่หรือคู้แขนที่เหยียดฉะ น, นั้นนะคนหมายว่าคนไม่ป่วยไม่เป็นอมพฤกไม่เป็นอัมภาพานักกีฬาแข็งแรงเนี่ยไอการเหยียดมือคู่มือเนี่ยยากหรือง่ายกขาบอกง่ายฉันได้พระองค์หายจาก บริเวณต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้ไปปรากฏที่เทววันก็ฉะ น, นั้นสมัยนั้นภิกษุ10บโกดเหล่านั้นอาศัยอยู่ที่กรุงอนุอะเรียกว่าอารุธนวดีเนี่ยนะอยู่ณเทววันก็แลเห็นพระทศพลผู้กําลังเดินมาแต่ไกลพากันมีใจผ่องใสรับเสด็จตรงกันข้ามกับปัญจวัคคีใช่ไหม <S <S ตั้งแง <S <S ตั้งนอนเสมมณะนี่มากมากเนะทำมาเราก็เนี่ยปูที่ไว้ให้นั่งถ้าจะนั่งก็นั่งไม่นั่งก็ตามใจ ก็ท่านตระกูลสูงว่งงางั้นนะนะแล้วก็เรียกอาวุโสไม่แสดงความเคารพอะไรเลยน่นต้นแล้วตรงกันข้ามเลยนะภิกษุสิบโกนเหล่นานี้อู้หายไปตั้งนานหายไปตั้งสองกันนั้นเจ็สัปดาห์นี่กี่เดือนเดือนกว่าใช่ไหมเกือบสองเดือนเลยเนี่ยพระองค์หายไปไปเพื่อตรัสรู้เนี่ยหายไปตั้งสองเดือนพระองค์กลับมาแล้วดีใจมากเลยนะดีใจมากพระองค์กลับมาก็เลยรับบาจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าปูราตพุทธาอาต ทำความเคารพถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งแวดล้อมณที่ควรส่วนหนึ่งณที่นั้นพระโกนทัญยัตถสพลอันพระมุนีคื อ, อาสาวกเหล่านั้นแวดล้อมแล้วประทับนั่งเหนือพุทธอาฏพุทธาาอาสานะอาสานะที่ประฏิสถานของพระพุทธเจ้าอันรุ่งโรดดุดเท้าสหัสนายอันมูเทพชั้นไตรทศแวดล้อมเหมือนอะไรเหมือนพระอินประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่เทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึง ประดุดดวงรัชนีกรในฤดูสาที่โคจรณพื้นนภากาศอันไร้มนทินอุปมารัชนีกรก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยนะดวงอาทิตย์ที่สองสว่างนีนะในยามกลางวันหรือเหมือนพระจันทร์เพนอันหมู่ดาวเวทล้อมครั้งนั้นพระศาสดาก็ตรัสพระธรรมจักรกับประวัตนะสูตรมีปริวัติสมอาการส2องอันยอดเยี่ยมนะนะแล้วก็ปริวัติสามมีอะไรบ้าง อาการ12ก็มีอะไรบ้างปริวัส3มก็คือสัจยานกิจยานและกะตะยานเนี่ยนะก็ประกาศอริยสัจสี่สามรอบก็เท่ากับ12สเนี่ยนะามคูณ4ก็เท่ากับ12อันยอดเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ส่องเสพแล้วแก่ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะก็คือใจความโดยสรุปก็คือปฏิเสธอะไรปฏิเสธอัตตปฏิเสธการมัสุขคลิกานุโยกปฏิเสธ กามสุ ข, ขัลลิกาโนโยกแล้วก็นําเสนอว่าข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานี่แหละที่ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุด2 อ, อย่างปฏิเสธส่วนสุด2 อ, อย่างข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละที่ทําจักสุให้เกิดเนี่ยนะจักขุกรณียานการณีอุปสมายสัมโพธายนิพาญะเนี่ยนะทำเป็นไปเพื่อทําจักสุให้เกิดทํายานให้เกิดเป็นไปเพื่อความ รู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อปริญิพานเนี่ยนะนั้นก็คือมรรคแเสร็จแล้วก็บอกว่ามรรคแมีอะไรบ้างสมาธิฏิจนถึงสัมมาสมาธิแล้วก็บอกว่าถามว่าถ้าสัมาธิฏฐิถ้าจะรู้รู้อะไรก็รู้อริยสัจสี่ก็ประกาศนี้ทุกขอริยาาสัจทุกขสมุทัยอริยาาสัจทุกขานิโร ธ, ธอริยาาสัจทุกขานิโรธาขามินนปฏิปทาอริยสัจพระองค์ก็ตรัสถึงว่าจากโสปัญญา จักสุป paper, adalah, mm ัญญายาณวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์วันนี้ท네ุกทุกควรกําหนดรู้ทุกพระองค์ก็กําหนดรอบรู้เสร็จแล้วจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่พระองค์วันนี้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยควรละทุกขสมุทัยพระองค์ก็ละเสร็จแล้วนะจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นแก่พระองค์วันนี้ทุกขนิโรธทุกขานิโรธควรทําให้แจ้งทุกขานิโรธพระองค์ก็ทําให้แจ้งเสร็จแล้ว นะจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นแก่พระองค์วันนี้ทุกขนิโรทัคา ม, มินีปฏิปทาทุกขนิโรทัคา ม, มินีปฏิปทาควรเจริญพระองค์ก็เจริญเสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้วพันถ้าหากว่าพระองค์ไม่รู้สัจจะสี่มีปริวัตรสารอาการ12อย่างนี้พระองค์ก็ปฏิญาณไม่ได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้แต่เนื่องจากว่าตรัสรู้สัจจะสี่มีปริวัตรสอาการ12ออย่างนี้จึงปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้า พอหลังจากที่พระองค์แสดงจบ พ, พระองค์ก็ยังเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกดเนี่ยนะมีภิกษุ10บโกดเป็นประธานให้ดื่มน้ำำาํอาอมตะธรรมอมตะในที่นี้ก็คือดื่มอะไรโซดาปฏิมกักโซดาปฏิผลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์สกทาคามีมกักสกทาคามีผลที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อรหัตต์ตมานาคามีมักนาคามีผลอรหัตต์มักอรหัตต์ผลที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสให้ภาษารีบุตรฟังว่านะเราเป็นคาถาโดยสรุปว่าสมัยหลังถัดมาจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็มีพระพุทธเจ้าถัดมาแค่ไหนบอกประมาณหนึ่งอสงไข่เนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญยะผู้นำโลกผู้มีเดชไม่มีที่สุดผู้มีบริวารและยศกําหนดไม่ได้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ยากที่ผู้ใดจะเข้าเฝ้า หรือเข้าใกล้เนี่ยนะมีพระขันติอุปมาเหมือนแผ่นดินธรณีมีพระศีลคุณอุปมาดังสาครศีนี่กว้างใหญ่เหมือนทะเลมีสมาธิดังคุณเขาสุเมรุว่างันงนะเขาสุเมรุมากนงะั้นมียานที่อุปมาดังท้องนภ า, า, ากาศท้องนภ า, ากาศเหมือนอากาศกว้างขวางเชนั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศอินทรีย์พล ะ, ะโพธชงองค์มัก นะองค์มัคเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สรรพสัตว์ทุกเมื่อก็พระองค์ก็แสดงนิยานิกธรรมเทศนาเนี่ยนะแสดงนิยานิกระทธรรมเทศนาธรรมที่นําออกจากทุกข์คืออันนี้ยกตัวอย่างว่าอินทรีย์พะละพูดชงองค์มัคแต่ก็เท่ากับกล่าวว่าถ้ากล่าวอินทรีย์เช่นสตินินรีย์ก็เท่ากับกล่าวอะไร กล่าวสตินสีสติพลัสติสัมโพชฌงสัมมาสติก็เท่ากับกล่าวสติประธานสี่เสร็จแล้วถ้ากล่าวนะวิริยินสีวิริยะพละวิริยะสัมโพชฌงสัมมาวายามะก็เท่ากับแสดงสัมมาประธานสี่แล้วนะมันถ้าผู้ใดที่เจริญคุณธรรมเหล่านี้ด้วยศรัทธาผู้นั้นชื่อว่ามีฉันทะนะ ผู้ใดเจริญสิ่งเหล่านี้ด้วยวิริยะก็นั้นก็เป็นวิริยะ น, น, นะนะวิริยะสมาธิประธานสังขารถ้าทําด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นดํารงมั่นมุ่งมั่นก็เป็นจิตตสมาธิถ้าทําด้วยปัญญาก็เป็นวิมังสาสมาธิเพราะถ้าเท่ากับกล่าวสติประธานสัมมารประธานอิทธิบาทแล้วเนี่ยนะโดยการกล่าวอินทรีพร ะ, ะโพชฌงและองค์มักการแสดงนิยานิกรรมคือโพธิปักจยธรรมธรรมที่นําไปเพื่อการตรัสรู้เพื่อประโยชน์ คือพระนิพานเพื่อเกื้อกูลแก่อริยมรรคแก่สพัพพสัตว์ทุกเมื่อก็แสดงว่าพระองค์มีใจอักกรุณามุ่งอนุเคราะห์สงเคราะห์แสดงทําให้เหล่าสัตว์ตามสมควรแต่บุญวาสนาและอุปนิสัยของเขาเมื่อพระโกนธรรมยพุทธเจ้าผู้นำโลกทรงประกาศพระธรรมจักรอภิสมัยคือการตรัสรู้อริยสัจธรรมครั้งแรก ได้มีแก่เทวดาและมนุษย์แสนโกรธเนี่ยนะพระองค์ดีใจมากเลยนะตัดสรู้เยอะแยะเลยนะครว่าพระโกนทัญยบ่บรรลุพระองค์ก็บอกว่าอัญญาสิวัตะโพโกนทันโยโกนทัญญ่ารู้แล้วหนอนะปีติมากนะดีใจพระพุทธเจ้าก็าปีติมันการเปลง่งบุทานว่าอัญญาสิวัตะโพโกนทันโยพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่างปีติเพรบะปลืมคล้ายๆปีติด้วยอนุโมทนากับปีติด้วยความสังเวชเนี่ยนะ มีปีติอยู่สองประเภทด้วยกันนะนีปีติด้วยความสังเวชก็คือสังเวชเสร็จแล้วก็ปีติบอกโอไม่น่าเป็นไปได้นะน่าอาศาัศจรรย์ไม่เคยมีมาว่าโมฆะบุรุษคนนี้อย่างเงี้ยนะอะไรก็ปีติด้วยอะไรเรียกว่าอะไรนะสังเวชเสร็จแล้วก็อุทานออกมาแต่ก็อุทานด้วยปีตินะก็ไม่ได้เครียดอะไรหรอกพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาเนี่ยนะเป็นนามาพิทายะที่ทรงได้รับโดยพระโคดของพระองค์พร ะ, ระองค์เกิดในตระกูล โกนธัญญาโคดเนี่ยนะอย่างเช่นพระอัญญาโกนธัญญาที่ชื่อว่าโกนทัญญาก็เพราะเกิดในตระกูลพราหมณ์โกนทัญญาโคด อ, น, น, อ, อนันตเตโชเรียกว่ามีเดชไม่มีที่สุดเนี่ยนะเดชเตชะก็คือจริงๆอ่ะหมายถึงไฟนะแต่ที่นี้หมายถึงเดชเดชเดชคืออะไรพระองค์เนี่ยมีเดชจริงๆเดชแปลว่าไฟก็ได้พระองค์มีไฟคือศีล น, นะเดชคือศีลเพราะมันเผาอะไร เผาความเศร้าหมองออกไปเผาบาปอากุศลออกไปพระองค์เนี่ยพระองค์มีเดชคือศีลคุณเพราะพระองค์มียานและมีบุญพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีญาณนะสัมภาระบุญยาสัมภาระสะสมมาหาประมาณไม่ได้ด้วยเดชแห่งศีลเดชแห่งยานเดชแห่งบุญของพระองค์เนี่ยนะครอบงําสรรพสิ่งเบื้องต่ําตั้งแต่อเวจีเบื้องบนจนถึงภวกระกกพรมเบื้องขวางในโล ก, กาธาตุอันไม่มีที่สุด พันด้วยเดชแห่งคุณธรรมเช่นยกตัวอย่างยอ่ยอๆเดชแห่งศีลเดชแห่งปัญญาและเดชแห่งบุญเนี่ยนะในระหว่างนี้เนี่ยในตั้งแต่ระดับล่างสุดคือเวจี v G, ระดับบนคือพระว่ากัพรหมโดยขวางในโลกธาตุไม่มีที่สุดเนี่ยไม่มีบุคคลหนึ่งชื่อว่าสามารถที่จะยืนมองพระพักของพระองค์ไม่มีเลยเรียกว่าอนันตเจโจเรียกว่ายืนจ้องหน้าตรงๆเลยนะแบบแบบอะไรนะแบบอสองฝ่ายใช่ไหม มายืนจ้องหน้ากันตรงๆเพื่อจะบอกจะกกแกล้จะดูที่พระองค์จะแค่ไหนยังไง น, นะบอกไม่มีนะไม่มีใครทำอย่างนั้นได้นอกจากว่าไปชื่นชมด้วยความเลื่อมใสเท่านั้นเองบทว่าอมิตะยะโสได้แก่มีบริวารยศไม่มีที่สุดจริงอยู่แสนปีของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตลอดจนถึงสมัยดับขันทปริณิพานพระองค์บวชตอนพระชนมายุเท่าไหร่ประมาณมื่นปีที่ตรัสรู้นะแล้วก็ดารงอยู่อีกแปะ คือเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เจ็ดหมื่นปีเนี่ยตั้งแต่ บ, บวชตั้งแต่ตรัสรู้จนปรินิพพานเนี่ยถามว่าพระภิกษุที่บวชติดตามมาบวชทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะบวชบางทีบวชวันละหลายหมื่นหลายแสนบางทีเนี่ยนะภิกษุควรจะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอมมิตายโพแปลว่าจำนวนภิกษุบริษัทกำหนดนับไม่ได้เลย อย่างพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยไม่มีลทัทธินอกาศาสนามีแต่พุทธศาสาศนาอย่างเดียวร้อยเร์เซ็น์เนเ่ยเพราะฉะนั้นบางยุคเนี่ยเป็นลักษณะนั้นอ้าวแล้วพวกสัตว์อื่นอ่ะก็พวกมิจฉาทิฏฐิอา้าวก็โมวแต่ไปเกิดในเดรชานอยู่ไงก็เลยไม่มีโอกาสมาเป็นปฏิปักษ์อย่างมากก็เป็นยุงมาบินกวนอยู่บ้างนิดหน่อยยังไงมันก็พอมีแต่ไปเป็นเดรชาญนงนะเป็นยุงเป็นแมลงเป็นแมลงวีแ ม, ล ง, มลงวันอะไรบ้างนิดหน่อยนะอย่างมากก็กวนได้แค่นั้นนะ่ะมิจฉาทิฏฐิมันกลุ่มกาะกวนเหมือน กโกนพระพุทธกโกนศีลสมาธิและปัญญาเขาบอกเครื่องวัดง่ายๆเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเป็นมิจฉาทิฐิถ้ามีความเห็นตรงกันข้ามกับศีลนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฐิถ้ามีความเห็นตรงกันข้ามกับคิดง่ายตรงข้ามกับโพธิปัฏขยธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฐิเพราะว่าปฏิบัติในสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นเองมันมีภิกษุบริษัทที่บวชตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้านี่หาประมาณไม่ได้ เพรั้ก็เลยเรียกว่าผู้มีเกียรติคุณที่กําหนดนับไม่ได้อมิตายโสเนี่ยนะเพราะว่าท่านเหล่านั้นทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าหมดทุกคนก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งหมดสรุปว่าเกียรติของพระองค์นี่ควรจะมีเท่าไหร่เพราะทุกคนเนี่ยระลึกถึงพระองค์หมดเลยบทว่าอัปปามโยเป็นผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครไปนับพระคุณของพระองค์ได้หรอกว่าพระองค์เนี่ยมีคุณเท่าไหร่ นั่นนนั่งนับเธอไม่หมดหรอกก็เลยเรียกว่าอัปปมัยโยหรือถ้าเราเรียกว่าอัปปมาโนพุทโธเนี่ยนะพระคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้แม้กระทั่งอย่างที่พระองค์ตรัสไปว่าพุทโธปิพุทธสสะเนยยะวั น, นังกับ ป, ปัมปิเจัญญะอัญญมภาสมาโนขีเยทะกับโปจิระทีฆะทีฆมันตเตวันโนนะขีเยะะทะตถาคตัสัม ความที่พระคุณของพระองค์เนี่ยนะกำหนดนับช่างไม่ได้เนี่ยคือพระคุณมากจนกว่ามากมากขนาดไหนมากขนาดว่าแม้พระพุทธเจ้าพึงตรัสสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าโดยไม่ตรัสเรื่องอื่นเลยพระองค์ไม่ต้องเทศเรื่องอื่นเทศพุทธคุณอย่างเดียวแม้ตลอดทั้งกับที่มีในระหว่างการอันยาวนานซึ่งหนึ่งกลับมันนานมากอะ่ะกับก็ต้องหมดไปก่อนแต่การสรรเสริญพระคุณของพระตถาคต ยังหาสิ้นไปไหมเนี่ยนะนะก็ลังดูว่าพระปุพพจริยาคุณพระศรีรคุณพระพุทธคุณพระพุทธกิจทั้งหลายถ้าทุกอย่างเอามายกย่องเอามาสรรเสริญหมดไม่มีจบมีสิ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอัปปมัยยะไม่มีอัปุปมาไม่มีผู้ใดจะต้องมาเปรียบไม่มีอะไรจะมาเป็นเครื่องตวงเครื่องวัดเครื่องช่างอีกแล้วพระองคนั้นมีพระคุณหาประมาณไม่ได้ทูราสะโดได้แก่ผู้อันใครๆเข้าเฝ้าได้ยากอธิบายว่า ความเป็นผู้อันใครๆไม่อาจเบียดเสียดเข้าไปเฝ้าชื่อว่าทุราทศก็คือผู้อันใครๆไม่มีอำนาจเทียบเทียงได้อีกชื่อหนึ่งอะนะหมายาว่าเข้าเฝ้าก็ยากหรือจะเอาไปเปรียบแบบหมายคว่าบอกสั่งให้พระองค์มาเฝ้าเราหน่อยสิให้อะไคือเราว่าเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวจะไปพบพระพุทธเจ้าหน่อยพระองค์นั่งรอหน่อยแล้วกันอย่างเงี้ยนะไม่มีหรือว่าเออเนี่ยหรือสั่งให้พระองค์มาหาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่มีคือคือเฝ้าเฝ้าได้ยากไม่ใช่ว่าทุกอย่าง ทุกอย่างต้องแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่แล้วแต่คนอื่นคือพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นบทว่าธารณูปรโมพระองค์ผู้เสมอด้วยแผ่นดินนะธรณูปรโมเนี่ยเสมอด้วยแผ่นดินถามว่าอะไรอะไรที่เสมอด้วยแผ่นดินคมเนนะได้แก่พระขันติเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยมีความอดทนมีขันติเนี่ยเสมอด้วยแผ่นดินเขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ย ถึงคนจะเอาคำว่าเอาขยะมูลฝอยสิ่งหน่าเกลียดลงไปในแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานหรือจะเอาดอกไม้ของหอมไปบูชาแผ่นดินก็เหมือนเดิมฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในลาบและความเสื่อมลาบไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่น่าปรารถนาและอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาฉันนั้นคือพระองค์ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเหมือนแผ่นดิน โปรงไม่หวั่นไหวว่าได้ไม่มีความรู้สึกว่าได้หรือไม่มีความรู้สึกว่าสูญเสียไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าปรารถนาหรือไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่น่าปรารถนาเพราะโปรงค์เข้าใจทุกอย่างอย่างท่องแท้จิตใจของโปรงค์จึงไม่หวั่นไหววันจิตใจของพระรงค์จึงเสมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะแต่ว่าอย่าว่าอย่างนั้นเลยแผ่นดินไม่มีเจตนา แผ่นดินไม่ได้มีคุณแท้พระสารีบุตรบอกว่าแผ่นดินเนี่ยมันไม่มีเจตนาจึงไม่ได้มีคุณค่าเทียบเคียงกับพระพุทธเจ้าได้หรอกเพียงแต่ยกมาเปรียบฉันนั้นแต่ว่าพราะองค์เนี่ยมีเจตนามีจิตมีใจแล้วก็มีปัญญามีคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากมายเหมือนอย่างว่ามหาปฏาภีอันหนาถึง2อง0 0นสี่มื่นยอดไม่หวั่นไหวด้วยลมปกติฉะนั้นเนี่ยนะเหตุการณ์ธรรมดาลมพายุธรรมดาพัดเนี่ย แผ่ดินวันไหวไหมฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นไม่วันไหวในโลกธรรมทั้งมวลไม่วันไหวในลาบเสื่อมลาบไม่วันไหวในความสุขความทุกข์ไม่วันไหวในนินทาสรรเสริญไม่วันไหวในยศและเสื่อมยศไม่วันไหววันนี้น่าปรารถนาไม่วันไหวว่าสิ่งนี้ไม่น่าปรารถนาไม่วันไหววันนี้น่าต้องการนี้ไม่น่าต้องการบทว่าศีเลนะสาครูปโมได้แก่ทรงเสมอด้วยสาคร เพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ทรงละเมิดขอบเขตด้วยศีลและสังวรทะเลเนี่ยเคยเรียกว่าไหลเรียกว่าท่วมฝั่งไปหมดเลยมีไหมบอกไม่มีฉันใดอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายมหาสมุทรมีปกติตั้งอยู่โดยปกติไม่ล่วงเขตเนี่ยนะหมายความว่าไม่ไม่ไม่ล้นฝั่งไม่เอ่อล้นฝั่งนะฉันใดพระองค์ก็ไม่ละเมิดไม่ล่วงเกินศีลฉันนั้นเพราะพระองค์เนี่ยไม่มี พฤติกรรมของพระ อ, องค์นี่มีมากแต่ไม่ล่วงศีลทางกายพระ อ, องค์พูดมากถ้าพูดแบบพุทธพจน์นะตรัสมากแต่ไม่ล่วงละเมิดด้วยศีลพระ อ, องค์เป็นผู้ที่ใช้ความคิดมากแต่ว่าไม่เคยฟุง้งซ่า น, นนะไม่มีความฟุง้งซ่านเพราะทุกอย่างพระ อ, องค์ไม่ล่วงละเมิด น, นะไม่ละเมิดคุณธรรมเหล่าใดเพราะดํารงอยู่ในคุณธรรมแต่ก็กว้างขวางไม่ใช่คับแคบเนี่ยนะไม่ใช่หลับตลอดเลยนะไม่ใช่ลักษณะนั้นบทว่าสมาธินามเมรุปรโม ทรงเป็นผู้เสมอคือเสมือนเขาเมพระเมุเนี่ยนะนะก็เหมือนกับภูเขาสุเมรุใช่ไหมที่ว่าสูง8ปดหมื่นี่พันยอดเพราะไม่มีความหวันไหวอันจะเกิดจากธรรมที่เป็นค่าศึกต่อสมาธิหรือพระองค์มีพระสรีระมั่นคงเหมือนขุนเขาเมรุก็คือดูจากภายนอกพระองค์ก็มีความมั่นคงอยู่แล้วคุณธรรมที่มีอยู่ในภายในก็มีความ มั่นคงเนี่ยนะังนั้นความมั่นคงของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดทำให้จิตใจของพระองค์วันไหวได้นะไม่วันไหวเหมือนอะไรเหมือนเหมือนคลื่อนในน้ำทะเลไม่ใช่วันไหวแบบโไม่นิ่งเลยนะแต่พระองค์ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ไม่ใช่นิ่งแต่นิ่ ง, งโง่เขลาอีกก็ไม่ใช่เนี่ยนะไม่นิ่งแต่ฉลาดเนี่ยเออทำได้ยังไงนี่เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้า บทว่ายาเนนะฆคณูปโมท่านทําอุปมาอากาศว่าอากาศเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดทําไมปัญญาจึงเปรียบด้วยอากาศก็เพราะว่าพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีที่สุดพระองค์เลยตรัส ถ, ถึงอนันต์อนันต์ไว้สอย่างด้วยกันตรัสไว้ที่ไหนอนันต์ไว้สี่อย่างในในจริยาปิดกเนี่ยนะในจริยาปิดกว่าสัตตกาโยจะอากาศโฉจักวาลาจนันตกา พุทธายานั่งอปมัยยังณนะสักกาเอเตวิชานิตรงโมสัตหนึ่งเนี่ยนะสัตตกายเนี่ยนะมูสัตตกายโเนี่ยกายะตัวนั้นแปลว่าหมูหมูสัตว์นี่หนึ่งอากาโซอากาศหนึ่งจักรวาลาอัอ่เรียกว่าจักรวาลนี่หนึ่ ง, งสอันแล้วก็หนึ่งหมูสัตว์สองอากาศสามจักระวานสี่พุทธายานหาประมาณไม่ได้อปมัยยังเรียกว่า ไม่รู้จะเอาอะไรไปวัดว่ามีเท่าไหร่นะแล้วก็สอย่างนี้ก็ไม่มีใครไปนับนับดูซิว่าเออเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมียุงกี่ตัวมีผึ้งกี่ตัวมีปลากี่ตัวมีไล่รถอะทั้งหมดนะสัตว์นรกทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็บอกว่าอไร่พวกเปรตพวกเดรชานพวกอะไรเดรชาญบอกว่าพื้นที่บางแห่งนะที่โยงเข้ามาเล่าให้ฟังว่าตัวอะไรนะตัวที่เข้ามาทํากบฏพวกเคยพวกอะไรพวกเนี้ยนะ แล้วก็มีสัตว์บางกลุ่มเนี่ยพื้นที่มันมีเป็นไม่รูกี่ตารางกิโลใช่ไหมว่าถามว่าในนั้นมันมีนมกี่ตัวแต่จริ ง, รงๆอะถ้าตักน้ามาหนึ่งขดแล้วคานวณบนล่างแต่งเป็นเรียกว่าเป็นลูกบาศกเม็ดปับนนป๊บแล้วคานวณปั๊บก็อาจจะคํานวณได้แต่ว่านรกเนี่ยนะอย่างเช่นอเวจี v G เนี่ยมีหมื่นโยดและหมื่นโยดเนี่ยมันอยู่เหมือนอะไรเหมือนเรียกว่าเหมือนผงทนานดีบุกคือมันยัดเยียดเหมือนคาว่ามัน ยังไงอ่ะแป้งในกระป๋องเนี่ยมันมีกี่ฝุ่นนะครับว่าแป้งหนึ่งกระป๋องเนี่ยจริงๆอ่ะนะเอามาหนึ่งปริมาณจํานวนน้อยปั๊บคํานวณได้เลยว่าแป้งหนึ่งกระป๋องเนี่ยมีมีฝุ่นกี่ฝุ่นเขบอกว่าแต่มันเยอะมากอ่ะ น, นะถามว่าในพื้นที่บริเวณรัศมี 10,000 10,000 หนึ่นยชนี่หนึ่งหตารางโยชนี่นะถามว่าสัตว์นรกเนี่ยมีกี่ตัวเาไม่ต้องไปคํานวณออกมันเท่าไหร่ทีนี้ถามว่าแล้วนรกมันมีกี่จักรวาลอนะ่ะมีจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดมันสัตว์นรกอยย่่าางเดดีววก็คํนณไมมหล แล้วเปรตอะเดรชาณ์อะมนุษย์ละ่ะเทวดาเพันอยู่ในวัตถาม่เหงาเน่พวกเยอะนะแต่ว่าเชื่อไหมพระองค์แสดงธรรมเพื่อการออกไม่ใช่เพื่อหาหมู่แบบนั้นเนี่ยนะสรวสัตว์เนี่ยไม่มีจบมีสิน้นแล้วอากาศละ่ะอากาศเนี่ยแม้กระทั่งว่าอย่างสมัยสมัยใหม่เนี่ยเขาคุยกันแสงหงแสงหนึ่งวินาทีเนี่ยเดินทางเป็นแสนกิโลเมตรเนี่ยนะเป็นแสนกิโลเมตรหนึ่งวินาทีนะเป็นแสนกิโลเมตรนะหนึวินาทีเป็นหนึ่งนาที หกนาทีเป็น1ชั่วโมง60สิอ่าร้ชั่วโมงเป็น1วันแล้วก็30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีอนะถ้าเลขศูนย์หตัวเรียกว่า10ปีเลข0ูย์สตัวเรียกว่า100ยปุยร0อปีเลข0ูย์สตัวเรียกว่า พันปีแล้วไล่ไปอย่างนี้เขาบอกว่าแสงเดินทาง 5,000 ปีแสงจากดาวดวงหนึ่งไปสู่ดาวเดวงหนึ่งเขาพูดกันนะห0าพปีแสงนะรัศมีเท่านี้แต่ถามว่ามันจบหรื อ, อยังบอกมันไม่มีจบมีสิ้นนะนะถ้าใครศึกษาไอ้พวกดารา ศ, าศาสตร์เนี่ยจะรู้ว่ามันไม่มีจบมีสิ้นคิดตามมากปวดหัวนะเพราะ ว, ว่ามันไม่มีจบมีสิ้นก็ก็มันไม่จบอะ่ะก็มันไม่หมดอะ่ะอันนี้อากาศจึงไม่มีที่สุดและจักรวาลอะ่ะ นะระบบสุริยะจักรวาลจักรวาลในกาแล็กซีต่างๆเนี่ยมันไม่มีจบมีสิ้นเลยกลุ่มจักรวาลแล้วสิ่งที่อันหนึ่งก็คือพุทธญาณก็เหมือนกันเนี่ยนะใครจะไปนับได้เนี่ยนะมันมแมลงวีเนี่ยไปนับว่แผ่นดินเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนาะจะบินชมแผ่นดินทั่วทั้งแผ่นดินเนี่ยน ะ, มะแมลงหวียังไงก็บินไม่ถึงน่ยบินได้สักกี่วันก็ตายแล้วฉนันใดปัญญาของเราทั้งหลายก็เช่นกับกลุ่ ม, มแมลงหวีเท่านั้นและยังไงก็ไม่ทั่ ว, ไ ม, วไม่ทั่วแผ่นดินพระพุทธเจ้าปัญญากว้างขวางเสมอกับ แผ่นดินยังไงก็ไม่ชั่วอยู่แล้วล่ะนั้นก็อักมูสัตว์อากากศจั ก, กรวาลพุทยญาณสี่ประการนี้ไม่มีใครรู้ได้จริงคนที่รู้จริงเรื่องนี้ก็พระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าถ้ารู้แบบครอบคลุมทั้งหมดทุกกระเบียดนิ้วทุ ก, ท, กทุกประเภททุกอย่างเลยนะะนั้นก็เลยทำอุ ป, ปมาว่าพระองค์เนี่ยมีพระญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดเสมอด้วยอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนว่าพระพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นแสดงธรรมอย่างไรอะไรบ้างก็เป็นตอนบ่ายแล้วกันเนาะ